เรื่องของกรรมฐานเนี่ยหลุดมาตรงนี้ได้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะอามาไม่แปลกใจแบบพระในประเทศไทยเนี่ยตั้งหลายแสนลูกแต่พระที่จะหลุดออกมาเพื่อที่จะมาทําเรื่องนีน้มีไม่เท่าไหรนะแล้วก็ ม, มาทางนี้แล้วก็มาถูกมาผิดอีกเยอะนั้นก็เลยว่าการที่เราจะมารับพุทธศาสนาเพียวๆอย่างที่เราทํากันทุกวันในหูมันฝาปัญหาบวซักมามากมายสําหรับคนที่หลุดเข้ามาทางสายนี้ถือว่าเป็นบุญนะบุญกุศลอย่างสูงมากๆเลย พาะะืาอนมาจึงนุทิศเวลาให้เรื่องนี้โดยเฉพาะไม่เอาเรื่องอื่นเลยนะเพราะคํานึงถึงเวลาที่พระท่านทุ่มเทให้เรื่องการปริยัติเรื่องการก่อสร้างหรือการพัฒนาการสงเคราะห์การนะศึกษาอะไรเนี่ยมากมายแต่ว่าการมาทางวิปัสสนาโดยตรงนะแทบจะหาประสิทธิ์ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้น เกษดาโอกาสของพุทธศาสนาแต่ว่ามีรูปแบบเป็นไปอย่างอื่นดันั้นการที่ท่านมาพูดถึงเรื่องอย่างนี้ยถ้าหาว่าท่านไม่บวชมาแต่เป็นเนนศึกษาตัวหนึงก็ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะมีบุญสุงดันมาถึงเรื่องนี้ได้นะท่านสุเทพสมัยนั้นมาเป็นพระอยู่ที่ป่าสกโตูท่านไปบวชเป็นสมณี น, นที่านเมื่อยี่สิปีก่อนนั่นแหละสมัยเมื่อปีสองแปดสองเก้าเอามาไปเก็บ อารมส์สงเกตสงแปดไปก็บปฏิบัติอยู่ที่ป่าสกุลโตนี่ไปเจอท่านที่นั่นท่านเป็นเ น, นรเล็กเข้ามาบทก็ได้คุยกันก็มีบุญได้ติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากุศลแรงนะทีนี่พวกเราทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยแต่ละคนที่มาเห็นหน้ากันเนี่ยมาว่ามาไม่ได้ถือว่าเป็นมนุษย์ธรรมดามีแตอินแร์พรมมีแต่เทวดาทั้งนั้นที่มานั่งนี่นะในรูปของคนมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเป็นคนชั้น เป็นมนุษย์ชั้นสูงมาแล้วทั้งนั้นนะมานั่งทําเรื่องนี้ได้ดังนั้นเองก็จึงให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่น่าจะตกต่ำลงไปตัวนี้อีกในชั้นอย่างเราๆนะคือคือภพภูมิของเรานะ่ยไม่น่าจะตกต่ําลงไปคนนี้ถ้าถ้าไม่มีกรรมอะไรแรงๆมาผลานนะันดันั้นเองก็จึงอยากจะให้ทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็ลองอาไปศึกษาทํากันอย่าง ไม่ใช่จริงจังทำกันอย่างเข้าใจถ้าศึกษาอย่างเข้าใจทำอย่างเข้าใจเนี่ยชีวิตมันมันลาบลื่นมันสบายเป็นอิสระแล้วค่อยสู่ตัวพุท ธ, ธะได้ง่ายๆ่แต่แน่นอนพวกเรามีปัญหาและอุปสรรคอะไรก็ตามที่เราทำมันไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคก็ถือว่าสิ่งนั้นไม่มีค่าสิ่งใดก็ตามที่มีปัญหาอุปสรรคมากถ้าเราทาได้สาเร็จก็ออยิ่งมีค่ามาก สิ่งไหนที่ทําไม่มีปัญหาบริสัทธ์ทำได้ง่ายๆสิ่งนั้นไม่ค่อมีค่าอะไรหรอกแต่สิ่งไหนก็ตามทาแล้วมีปัญหาบริสัทธมากสิ่งนั้นถ้าเราสู้ถ้าเราใช้สติปัญญาเต็มความสามารถผ่านได้เนี่ยสิ่งนั้นก็มีค่าต่อชีวิตของเราเพราะฉนั้นในการปฏิบัติวิปัสนาที่เราทำเนี่ยปัญหาบริสัทธที่ทุกคนสัมผัสได้คืออะไรแทบไม่จะต้องแทบไม่จะแทบไม่ต้องนึกเลยใช่ไหมแต่ต้องนึกหน่อยก็แล้ว พอจำได้ไหมปัญหาปภาษาของเราที่ปฏิบัติคืออะไร <c oughs> ไม่ใช่เราโลภะโทสะโมหะตระกูลใหญ่เขาละล่ะความม่วงในชิบจ้อยมากนะความมั่งความขี้เกียจในชิบจ้อยมากลาคะโทสะโมหะพวกนี้พวกที่เราไปาเช็ญเลยอนันนี้ลูกน้องมาทั้งนั้นนะไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเบิ้ม จะออกไปอายุถึงจะเจอมันดักอยู่แค่หน้าประตูนั่นแหละ <c oughs> ที่เรามาทำอยู่เดีวยวนี้มันก็ส่งลูกน้องมาลองควานเล่นเล่นเท่านั้นเองแหละบ้างเบือ่อบ้างเงาบ้างขี้เกียจบ้างแก้ได้ง่ายมากต้องกลับไปบ้านนั่น <c oughs> คนละเรื่องคนละลูกกันเลยเรียกวาพยามานทั้งหลายมันรอเราแต่ถ้าหากเราสู้นะเราคืนสู้นะมันมีทางสู้นะนะคืนสู้มันดนูแล้วมันก็สนุกนะ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีหัวใจเป็นนักสู้เราก็ต้องยอมเขาเลืไปก็ต้องพยายามดังนั้นเองไฟคือราคะาไฟคือโทสะไฟคือโมหเนต์เป็นไฟเย็นเผาไหมเราอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวทั้งโดือตรงและโดืออ้อมไฟทางรูปก็เผาตาเราไฟทางเสียงก็เผาหูเราไฟทางรสก็เผาเผาลิ้นเรา ไฟทางกลิ่นก็เผาจมูกเราไฟทางกายก็เผากายเราเผาทางไฟทางจิต ก, ก็เผาใจเราให้เราร้อนแต่ทีนี้เราจะตามดูไอ้ไฟเหล่านี้เท่าทันหรือไม่เท่านะั้นแหละไปสังเกตให้ดีอนะที่มันไม่แต่มันเป็นไฟเย็นที่สัมผัสยากแต่ถ้าหากว่าคนไหนมีดวงตาแล้วเนี่ยจะสัมผัสได้ง่ายหลีกไฟได้ง่ายแล้วเราก็จะ เ, เราก็ไม่เหยียบไฟส่วนใหญ่แล้วก็ไปเหยียบไฟ ไปยืนใกล้กองไฟเพราะอะไรเพราะว่าเรามาเจริญสติเนี่ย <c oughs> แล้วเสร็จแล้วก็เราก็ไปทำงานท่ามกลางแต่คนมีไฟเท่านั้นใช่ไหมแล้วก็สตร์ไฟใสดโดยไม่รู้ตัวเราก็ประสบปัญหามากมายสมมติว่าเราอยู่แวดล้อมด้วยญาติาพี่น้องเพื่อนฝูงคนทำงานด้วยกันต่างก็มีปัญหานั่นแหละไฟแต่ละกองถ้าหากว่าเราไม่ดับไฟในตัวเราก็ไปต่อเอาเชื้อมันจะขเาขเามาเขาตัวเอง ความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นดังนั้นเวลามาเจริญสติจึงอยากจะทำให้ละเอียดแยบคายเพื่อจะดับไฟภายในของเราก่อนทำใจของเราให้เป็นน้ำเมื่อไฟมันตกมาจากที่อื่ น, นก็เหมือนไฟตกน้ำแต่ถ้าหากว่าใจของเรามันยังร้อนอยู่ก็เหมือนขยะที่มันแห้งๆเมื่อสเก็ดไฟมาตกใส่เป็นยังไงไม่เลยมั น, ม, นมันใบไม้นาร้อนนะน่ทีนี้ต้องทาใจให้เย็นใช่ไหมอันนี้ผาน เย็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไฟาาราคาถอยสาวมหาตกไปมันก็ดับหมดเอ่อมาเปรียบเสมือนว่าถ้าสเกตไฟไปตกใส่ขยะแห้งก็ไม่ทันทีถ้าสเกตไฟตกใส่ขยะแห้งน้อยหน่อยมันชุ่มนิดหนึ่งก็ไหม้ช้าหน่อยถ้าขยะชุ่มขึ้นมาหน่อยก็ไหม้ช้าหน่อยขยะชุ่มมาม า, มากมันก็ไม่คยไหม้แต่ถ้าหากว่าไฟตกน้ําก็ดับทันทีใจของเราเนี่ยแล้วแต่ว่ามันเย็นมากเย็นน้อยร้อนมากร้อนน้อย สกิดที่มากระทบนั้นมันจะมีผลนะบางทีไฟชิ้นใหญ่ๆตกเข้าใสบางทีเราจิตของเราชุ่มไม่มากอย่างที่ว่าท่านเทพเล่าเมื่อกี้ว่าเมื่อไปทำงานสอบแข่งขันไปแข่งขันเอาตำแหน่งกันในหัวหน้า ง, งานมีเพื่อนมาขัดขวางแทบจะฆ่ากันตายใช่ไหมท่านก็ปฏิบัติมาทำดีพอมาเจอไฟรุ่นใหญ่แล้วเป็นไงก็ยังร้อนวืดขึ้นมาอีกเหมือนกันไฟดุ่นใหญ่แต่น้มันน้อยนะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราออกไปทำงานเราไม่รู้ว่าไฟชิ้นใหญ่มันจะตกใส่ใจเราเมื่อไหร่ไฟชิ้นเล็กชิ้นนะ้อพอดับมันได้ใช่ไหมพอไฟชิ้นใหญ่ตกใส่นี่เบินเลยนะขนตลบนเนี่ยนะแล้วก็ดับถ้าไม่ทันดังนั้นเองก็ในช่วงที่ทำเนี่ยอามาอยากจะเน้นให้ทำให้ให้ถูกที่สุดแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องที่สุดเพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันจะรักษาความชุ่มของจิตของเราได้นาน ไฟที่อยู่รอบด้านของเราแต่ถ้าทามันมีทั้งไฟนอกไฟในนี่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นในโลกของก่อนที่จะถึงโลกภระสีอนันเขาบอกพระอาทิตย์มันจะขึ้นเจ็ดวงใช่ไหมเคยได้ยินพุทธทํรนายไหมพระอาที่ย์มันขึ้นเจ็ดวงสักแล้วเบินโลกนี้เดือดเป็นหม้อข้าต้มเลยเมื่อเดือดโลกห ม, ออม้อค้าต้มเราก็เสร็จแล้วก็โลกมันเย็นลงโลกนี้จะลาบเป็นหน้า ก, กองพระสีอนันที่จะมาเกิดเขาเล่าไว้ดีนะ เอเมื่อไรแล้วก็ทำบุญกันเนี่ยเพื่อจะไปเกิดในโลกของภาเซีานโลกภาเซีานที่บรรยายว่โหน้าไปเกิดมากทีนี้หลังจากนั้นห0 0พันปีท่านว่านะห้าพันปีอามามันนึกเอ๊ะสามพันปีมัก็ขนาดนี้แล้วห้าพันปียะไปถึงเลื่อนก็มันนึกถึงโลกฟาเอีานวางได้ว่าวันก่อนมันเป็นโลกแห่งอุดมคติ แต่มันนึกถึงห้าพันปีก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าตราบใดที่มีพี่บริสัทธ์สีอุบายสุขบริกุขายังพุชดีปฏิบัติชอบโลกนี้จะไม่ว่างจากผู้บรรลุธรรมจะไม่ว่างจากพระอรหันต์จะคี่ภพี่ชาติขี่กับขี่กันก็ําท่านไม่ได้บอกว่า 5,000 ันปีใช่ไหมเมื่อนั้นคําสอนของพุทเจ้าท่านตรัสไม่ได้ค้านกันนะแต่อันนี้มันค้านกันมันอันไหนมันผิดกันแน่ แต่คําว่าเมื่อใดบริสัทธ์สีมาพุทธปฏิบัติชอบอยู่เมื่อนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากพระรหันต์อันนี้พระกฎนั้นพระเจ้านะปิฎกเลยนะแต่พูดเท่านายห้าพันปีนี่ท่านไม่ได้ตรัสนะแต่ก็บอกว่าท่านตรัสอันนี้คานกันแล้วก็ท่านบอกว่าในมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีภาวะพุทธะอยู่ตราบใดที่มีมนุษย์อยู่พุทธะก็ยังมีอยู่ไม่ได้มีกําขอบเขตจํากัดว่าเมื่อไหร่ อันนี้ก็เป็นคําตรัสดังนั้น 5,000 ปีคงจะเป็นปิศนาธรรมออกมาว่านะปิศนาธรรมไงเพราะคนเรามันมีขันห้าใช่ไหมขันห้านี้ <c oughs> มันผูกผูกพันด้วยอะไรพันด้วยอุปท า, านใช่ไหมขันห้าของเราถูกพันด้วยอุปท า, านเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจําเป็นแก่ เราทุกคนต่อเมื่อเรายังมีอุปทานในขันห้าท่านหมายถึงอย่างนั้นแต่เมื่อใดเราสามารถทําลายอุปทานออกจากขันห้าได้พุทธศาสนาก็จบหมดหน้าที่เมื่อไม่มีอุปทานเราจะปฏิบัติพุทธศาสนา อ, าอะไรอีกเ่ยนั่นคือหมดพุทธศาสนาตรงนั้นว่าจิตของเราเมื่ออุปทานในขันห้ามันหมดพุทธศาสนาเราปฏิบัติไปก็หมดหน้าที่แล้วพระรหันนี่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกแล้วใช่ไหม ปฏิบัติเอาแล้วหมดแล้วอ่ะนั่นเองพูดในฐานจบแบบนั้นไม่ใช่ห้าพันปีข้างนอกเป็นห้าพันปีข้างในแต่ท่านพูดซ่อนเอาไว้เพื่อให้มันเป็นสมมุติเพื่อให้มันอยู่ได้เพื่อให้เป็นสมมุติให้คนจําได้เทานั้นเองห้าพัน 5, ปีแบบนั้นแล้วพระฤทธิ์ขึ้นเจ็ดวงอ่ะก็เราในเรานี่มันมีกี่ดวงรู้ไหมหกดวงอ่ะดวงจริงอีกดวงหนึ่งเป็นดวงที่เจ็ดอ่ะ เพราะนั <necessary. S 2> ้นอาชวดวงจริงดงเดียวมันก็ร้อนอยู่แล้วถ้าคนไหนที่ต่างๆหูจมูกลิ้นกาใจทั้งเป็นของร้อนในอาทิตย์ตะพฤษยสูดไปดูดิตาคือว่าอาทิตย์หูคืออาทิตย์จักรุอาทิตตังโสตาอาทิตยังชิวหาอาทิตังกายโอาทิตยังมโนอาทิตตังนั่นบอกกายพระอาทิตย์ดวงหนึ่งรูปพระอาทิตย์หนึ่งเสียงพระอาทิตย์ดวงหนึ่งรถสู้เสียงกินรถสมบัตคืออาทิตย์แต่ละดวงไปดูอาทิตย์ตะพฤษยสูดดินั่นน่พระอาทิตย์หดวง แล้วดวงที่เจ็ดข้างหมู่ข้างบนเนีมันขึ้นทุกวันอยู่แล้วที่เจ็ดดวงมันจะวิวรอยขึ้นหนึ่งห้าพันปีใช่หมอะขึ้นทุกวันนะแต่ว่าของไครมันจะร้อนกว่าใครเท่านั้นเองแล้วก็ตายกันทุกวันใช่ไหมฆ่ากันทุกวันยิงกันทุกวันติดคุกกันทุกวันนั่นแหลพระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดดวงแล้วนะอ่านั่นแหละพระอาทิตย์ของคนนั้นมันเกิดขึ้นเราก็คนนั้นก็อยู่ไม่ได้มันถูกไฟเผาไฟราคะไฟตันหาไฟกิเลมันเผาอย่างเรานี่ยไฟไฟเผา เป็นบางครั้งบางคราวอ่ะเผาหินชัดๆเผาลิ้นของเราเนาะหายกินไปทั่วเลยไม่ไฟไม่ป่าไม่เขาแต่หามันเกิดเพราะลิ้นของเราแม้จะปูในนาปา่าในน้ําก็หมดใช่ไหมในทะเลก็กินกันห้องจะหมดทะเลอยู่แล้วเ น, นี่ยมันไม่ไปถึงขนาด น, นั้นเราเนี่ไม่เห็นอีกแล้วเมื่อน้ำมันมอยู่ใต้ดินก็ไม่ก็จะหมดอยู่แล้วใช่ไหอภูเขาลูกบุรีมะล่าหิน ภูเขาหินดูวกก่าแล้วเวลาก็ลงถล่มทลายลงมามันไหม้ขนาดนั้นเลยแล้วก็มองไม่เห็นกัน เ, ง, เงินคําอะไรต่างๆอันแยบันนีอยู่ในแผ่นดินก็คูดกันออกมาใครมีก็ถูกถล่มทลายไหม้หมดนั่นคือพระอาทิตย์อยู่ตรงนั้นต่างหาดังนั้นเราจะทําอย่างไรเราก็จะต้องมาสร้างภระสีอานขึ้นมาภระสีอานคืออะไรที่ได้กล่าววันก่อนว่าสีคือสร้างสีลขึ้นมา สร้างอาริยสัจ ส, สีขึ้นมาสร้างเมตตาขึ้นมาสามอย่างแค่นี้ก็สามารถดับไฟหพระทิพจิดวงนี้ได้ผู้คนมีศี่ห้าลกนี้เย็นผู้คนรู้จักวิปัสนาคืออริยสัจ ส, สีอย่างที่เราปฏิบัติในประเดียวเนี้ยอริยสัจสีนะใช่ไหมทุกสมุทยัทยนิโรธมรรคอะเราปฏิบัติกันนี่คือสีอริยเกิดแล้วใช่ไหมพอต่อไปถ้าหากว่ามันเกิดโดยสมบูรณ์เมตตาเราก็เกิด เมตตาเกิดย mm ังไงก็คือเวลาเราดับทุกข์ของเราเองได้เสงสารพ่อเราเนาะที่ไปทุกข์สงสารแม่เราสงสารพี่น้องเราสงสารเพื่อนมนุษย์เลาวก็เริ่มบอกที่เราคนสองคนไปนะอันนี้คือเมตตาก็เราเรียกให้เป็นภาษาสันสกฤเดอร์ซรีอริยเมตไตรเป็นภาษาสันสิงกฤทิภาษาบาลีก็ศีลอริยสัตว์แล้วก็เมตตา มับอกกันเป็นสีอริยเมตตจสมมติให้เป็นองค์พระเฉยเลยเดี๋ยวพระสีอันเกิดตรงนั้นเดี๋ยวพระสีอันเกิดตรงนี้นะเกิดดทั่วไปหมดแต่ความจริงก็คือคุณธรรมในจิตของเรานั่นเองไม่ใช่องค์พระข้างนอกที่ไหนเพราะฉนั้นใครบอกว่าพระสีอันเกิดตรงนี้ไปเชื่อเขานะนนนถูกหลอกแล้วร้อยแล้วนะอามาเคยไปนั่งเถียงกับพระสีอันอยู่ที่บรรทาตจังหวัดเลยสมัยเอามาเป็นวิปัสสนูนะสมัยนั้นนะพระสีอันเป็นผู้หญิงด้วยนะบันทาตทักวันนี้ยังอยู่หรือเปล่า พูดไปสอบธรรมะไปเถียงธรรมะกันทั้งคืนนะเขาพูดภาษาหนึ่งเราพูดภาษาหนึ่งแต่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างเป็นวิปัสนาหมือนกันเขาก็เป็นวิปัสนาเราก็วิปัสนานะเพราะฉะนั้น เ, เรื่องสมมุติโลกเหล่านี้ต้องต้องฟังต้องศึกษาไม่จำเป็นต้องเชื่อนะมีเยอะทีเดียวแหละนะฉะนั้นการเจริญสติที่เราทําอยู่เนี่ยคือทางลอดนะด้วยการทําให้ละเอียดถีท้วน โดยที่ไม่จ้องหวังผลแต่ทําให้มันละเอียดถ้าทําแล้วมันไม่สบายมันเบื่อมันเซ็งมันเล่ามันร้อนมันอุดอัดนั่นแสดงว่าถูกทางแล้วแต่ถ้ามันทําแล้วมันสบายไม่ง่วงไม่เหงาไม่เบื่อไม่เซ็งอันนั้นผิดปกตินะอาจจะไม่ถูกทางก็ได้นั้นเขาจะบอกว่าตะบะเลยตะบะแปลว่าอะไรมันเล่าร้อนใช่ไหมมันนั่งปฏิบัติอหูไฟเวทนามันเผาจะร้อนแข่งร้อนขาเอสารพัดเลยแล้วมันนั่งทรมานตัวเองทําไมเนี่ย ถ้าถามว่าข้าวเนี่ยไม่ต้มมันจะได้กินไหมเนี่ยข้าวไม่หุงจะได้กินไหมไม่ได้กินเพราะไม่มีความร้อนใช่ไหมแล้วคุณจะไปกินข้าวดิบข้าวสารได้ไงเหมือนกันในทีวิตของเราดิบๆเถื่อนๆใช้แล้วเป็นไงทุกข์ใช่ไหมโอ้พวกนี้จะปาดเถื่อนยังเราก็ยังถูกว่าหาเนาะแต่เรากไม่อยากจะไป็นคนปาดเถื่อนนะถ้าคนปาเถื่อนก็เหมือนเรากินข้าวสารน่ะใช่ไหมมันกินได้นะแต่ว่ามันมันอร่อยเมื่อเรา กินแล้วมันสบายไหมล่ะคนที่ที่เรามาปฏิบัติเพื่อเอาตะบะคือความเพียรของเราเป็นหม้อขงข้าวตบะขันติปรมังตะโปตีติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะเผากิเลสของเราเผากิเลสราคะที่มันจัดโทสะที่มันจัดโมหะที่มันจัดเผามันออกไปเผาไม่ใช่เผาหุงมันหุงที่มันดิบมาให้มันไ่ให้มันสุกถ้าเผาทิ้งเราก็ไม่ได้กินข้าวอีกใช่ไหม อต้องเปลี่ยนกิเลสให้เป็นธรรมเละเราจะได้ใช้ธรรมะกิเลสกับธรรมะก็ตัวเดียวกันในที่พูดถึงมะม่วงตอนเช้านะม่วงดิบกับม่วงสุกผลเดียวกันนั่นแหละออแต่ทําให้มันสุกใช่มันจะได้หวานถ้ามันดิบอยู่มันเปรี้ยวมันขื่นมันขื่นมันขมนะแต่เพื่นหวานเวลามันสุกแล้วมันหอมมันหวานชีวิตเราเหมือนกันถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้หงไม่ได้บ่มเพาะตัวเองให้ดีเนี่ยมันก็ยังดิบยังเทือนอืมก็ เขาเรียกว่าหยากใช่ไหมภาษาผู้ดชนนี่ผู้ดชนคนหยาบมันก็ทําให้ชีวิตของเราลุ่มรุมดอนดอนเล่าเร้อนรอยู่อย่างงั้นแหละไม่มีความสุขแต่พอเราได้มาบําเพ็ญตบะอย่างนี้ประจําเนี่ยอย่างที่ท่านเทว่าเชา้าสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงนั้นท่านเป็นฤๅษีหัดทางานนะแล้วพวกเรานี่น่าจะทําได้นะสมัย น, นั้นทํางานอยู่เปล่าท่านเทพที่ทําทุกวันะทําทุกวันนะนี่ทํางานอยู่ใช่ไหม พวกเราก็ม so ันจางแก่ท่านแ้วก็น <Nós> ่าจะทําได้ต้องมีโอกาสได้บวชถ้าบวชท่านมาไม่ได้มาบวชมาแทนคุณพ่อคุณแม่เลยบวชเพื่อมาศึกษาเฉพาะต้องบวชอย่างนี้ถ้าจะบวชนะบวชมาเพื่อศึกษาชีวิตโดยเฉพาะพวกเราก็โอกาสบวชชีบ้างก็ได้มาศึกษาพวกก็ไม่ได้นะบวชชีเดี๋ยวไปรับใช้พระก็ลำบากอีกนะไม่ต้องบวชมาศึกษาอย่างนี้แหละจะให้มีโอกาสเข้าคอร์สเข้าอะไรไปเรื่อยๆ นันั้นามาว่าคุ้มนะกับเวลาที่เรามาช่วงสั้นๆัห้าวันเจ็ดวันเนี่ยมันคุ้มต่อเมื่อเราเอาไปทําปฏิบัติต่อแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติต่อเราใช้ไม่กี่วันมันก็ค่อยเฟดค่อยดาวค่อยหายค่อยหดไปเรื่อยๆแต่พอเราไปปฏิบัติต่อมันค่อยสดชื่นแจ่มใสเหมือนเราได้เบีย้ยไม้หรือกล้าไม้ไปเนี่ยเราค่อยรดน้ําใส่ปุ๋ยพอดนมันก็จะงอกงามเติบโตได้ไวแต่นี้แจกเบีย้ยไม้กันมนาแล้วไปวางแมตชไว้ที่หัวกระไรบ้าน มนานานกลับมาดูทีองค์หลวงพ่อให้ต้นไม้มันนี้ไม่ได้ลดน้ําเลยตายไปแล้ว <c oughs> ต้องเอาไปจัดการรดน้ําใส่ปุ๋ยฝนดินลงนี่อย่างดีเลยนะอตอนแรกก็ขยันรดน้ําอยู่ใช่ไห ม, มงานนั้นก็เยอะงานนี่ก็แยะไม่เคยลดบ้างไม่ลดบ้างนานๆไปอเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีวาสนาบารมีดีเนะี่ยเอาไปก็ ที่ดินปลูกอย่างดีเลยเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์มันต้องยอมใจตัวเองบ้างในะเรื่องเหล่านี้นะใช่ไหมเขาเลยสร้างอะไร inspiration สร้างแรงโดนใจตัวเองหน่อย inspire ตัวเองหน่อยนะเพื่อที่จะให้เราได้มีกำลังใจที่จะสู้กับมวลหมู่กิเลส ท, ทั้งหลายนะเข้ามาเรามาเห็นว่ากิเลสนะี่ยบางทีมันก็เป็นเพื่อนเรานะ พอเทียนเปรียบสิเหมือนอย่างนี้ว่าในสมัยที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยกิเลสมันเหมือนวัวถึกธรรมะมันเหมือนวัวตัวเล็กแต่พอเรามาปฏิบัติจเจริญสติมากขามาเข้าเมื่อเข้าธรรมะมันโตเหมือนอวัวตัวโตว ต, วตัวใหญ่แต่กิเลสมันเหมือนวัวตัวเล็กมันจะสู้กันไหม ไม่สู้หรอกมันมันเห็นวัวตัวใหญ่มันก็หาเดินห่างหนีแล้วใช่ไหมนี่มือนกันถ้าเรามีสติสัมญร้เข้มแข็งเหมือนตัวเหมือนเหมือนสัตว์ตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยสัตว์ตัวเล็กๆมันก็พายแพ้หนีไปกิเลสเหมือนกันเพราะมันรู้ว่าธรรมะมันเข้มแข็งอยังหลงปู่สังนี่นะความม่วงตัวใหญ่ใหญ่ก็ความตื่นมันมาที่ไหนมาขี่คอหลงปู่สังเฉยเลยหลวงปู่สังไม่ไหวนะเพราะนั้น ก็เนี่ยถ้ามาอายุมากก็เยอะลำบากเหมือนกันนะต้องสู้อย่างใหม่กันแล้วกันนะเราจะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดาเรื่องนี้ต้องต้องพยายามศึกษาแต่ถ้าคนไหนมาอายุอย่างน้อยๆเนี่ยมีช้อยมีโอกาสเพราะอะไรร่างกายเข้มแขจะเดินจูคุมทั้งวันก็พอยสู้ได้แต่ว่ามาอายุเยอะๆแข็งขาไม่ค่อยดีเดินจูงกมสักตั้งใจสักเดินจูงกลมสักสองชั่วโมงเดินสักครึ่งชั่วโมงแล้วเป็นไงสักมองหาเสาแล้วเนาะมองหาเก้าอี้แล้ว อันนี้มันจํากัดตรงนั้นเองผู้ที่สูงอายุนะแต่ถ้ามาได้อายุน้นอยๆนี่โอ้จะเดินสักสาชั่วโมงห้าชั่วโมงก็เดินได้จะนั่งสักทีละสามชั่วโมงห้าชั่วโมงก็พอนั่งได้นะอันนี้มันต้องเป็นคนที่มีภูมิจิตสูงพอสมควรนะมาทางนี้นะเอามาใช้กับวัตถุทิภาวะมาทัวริตี้คือหมายความว่ามีภูมิจิตสูงพอสมควรคืออย่างนั้นมันไม่ไฝ่สูงขนาดนี้คนมาทางนี้ถือว่าไฝ่สูงนะ ไปเอาศีลเอาธรรมเอานิพพานเป็นที่หมายเนี่ยถือว่าเป็นคนไฟสูงแต่ถ้าหากว่าเอาราคาโทสามูหาเป็นที่พึ่งเนี่ยก็ถือเป็นคนไฟต่ําก็อาจจะไม่มาอย่างเนี้ยแต่ด้วยการไฟสูงของเราเนี่ยมันจะมีแรงต้องสร้างแรงจูงใจขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสตัณหาประทานมันก็ยังมีกําลังอยู่ถ้าสมมุติว่าเราไม่สร้างแรงจูงใจเป็นประจำเนี่ยมันก็ยังดึงยังลังยัง ดันเราไปทีที่ต่ําได้เพราะว่ามันก็กลัวไม่มีเพื่อนเมื่อกันอามันก็ต้องการเราเป็นเพื่อนใช่ไหมทีนี้เราจะหนีจากมันมันก็ต้องล็อกคอเข้ามาเพราะนั้นต้องมีแรงใจเป็นพิเศษถึงจะหนีจากมันได้แต่ถ้าหากว่าพ้นจากอํานาจของมันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่มามันหมดอํานาจมันตามเราไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าเองเนี่ยมานก็ยังตามบางควั้นะบางครั้งท่าน ถ้ารู้ทันมาฉันบอกดูก่อนมารผู้มีบาปทิ้นชัยทักเลยอ่ะเพรทักแล้วก็ทักมันบ้างนะเวลาง่วงมาดูก่อนมารผู้มีบาปมาอีกแล้วเลยอันนี้ไม่ทักเลยปล่อยให้มันลูบหน้าลูบตาเฉยนะแล้วก็ตีเตเล่ น, ลนๆหน้าหงายหน้าวค้มอยู่งั้นนะไม่ยอมไม่ยอมทักมันเลยน ะ, ะเพราะฉนนะนั้นโน้พุทธเจ้าทิา้นชัยพิธดีดีที่สุดก็คือทักมัน เจ้าคงม่วงมาอีกแล้วหรือมมาควรฉันนะกิร aja กันไล่มันไปนพอเวลามันปวดขาขึ้นเอาดูก่อนมาผู้มีบาปเจ้ามาอีกแล้วหรือนะก็คุยกับมันไปคือต้องมีเทคนิคเล่นกับมันนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สู้มันทื่อๆไม่ได้หรอกนักแต่มีเทคนิคเล่นกับมันสนุกนะแต่ถ้ามันแต่ว่ามันมีสองลักษณะหนึ่ง อาการไม่สบายของกายเนี่ยที่มันเป็นโดย อ, อะไระ่โดยธรรมชาติร่างกายเจ็บป่วยไม่สบายจริงๆเวลาร่างกายสุขภาพไม่ดีหรือว่ามีปัญหาด้านด้านสุขภาพถ้าเราไปฝืนนะอันนี้ผิดนะไม่ต้องฝืนถ้าสมมติมันง่วงเนี่ยเช็คดูแล้วมันเป็นอาการของกายเมื่อคืนที่นอนไม่หลับน่ะคุณแอบไปงีบแอบไปงีบได้เลยนะ ทำไมไปเปิดอุลวงที่เอลเอ็นี่หมอคนหนึงหมอมุนตราสุขภาพเป็นดีเป็นเบาหวานความดันขึ้นอย่างเงี้ยสู้เท่าไหร่ก็เดินหัวสุกหัวเซมาไปเห็นข้าอุลวงพ่อผมไม่ไหวเลยทําไงหมอไปนอนก่อนสักชั่วโมงหนึ่งนะพอนอนขึ้นมาทีนี้ชื่นสดชื่นทําต่อได้ทั้งวันเลยแต่ถ้าหกแกฝืนโดยที่ไม่พักเนะ่ยก็ง่วงได้ทั้งวันไม่ได้อะไรแต่พอไปพักให้มันสบายซะร่างกา ย, ยได้พักผ่อนมีกําลังก็ทําได้ เพราะนั้นถ้าหากว่ามันเกิดกับร่างกายมันเป็นธรรมชาติบางทีต้องให้มันนะไม่ถือมันไม่ถือว่าผิดแต่ต้องตรวจสอบให้แน่นอนก่อนเพราะมันมันหลอกเราหลายชั้นตรวจสอบว่าเอมันเป็นร่างกายต้องการหรือกิเลสต้องการกันแน่ถ้าเป็นร่างกายต้องการให้มันแก้ไขมันไปแต่ถ้ากิเลสถ้ารกิเลสต้องการเนี่ยไม่ได้มันจะหลอกเราก็ต้องแก้ไขดังนั้นเองในเรื่องปฏิบัติจึงเป็นส่วนที่ต้องใช้ เทคนิคใช้อุบายเามาเคยเจอจนักบวชชาวไอริสคนหนึ่งที่ที่ศรีลังกาแล้วก็ตอนที่ไปอยู่ร่วมกันก็สนทนาธรรมะกันสนาธรรมะกันเพราะจะจากกันนี่แกเขียนข้อความไว้หลังสลักหลังรูปให้ธรรมาคำหนึ่งติดหัวต่อมยจนกระทั่งทุกวันเนี่ยมันเป็นคำรวมทั้งหมดของ นั่นบอกนี่คือคำรวมทั้งหมดของพุทธศาสนาพ อ, อแกถามมาตมาว่าหัวใจพุทธศาสนาคืออะไรามาแกจะตอบอว่าสามบ้างอริยสัจสีบ้างมรรคในองค์แดบ้างแกบอกไม่ใช่แล้วคุณว่าอะไรทีนี้ก็ยังไม่ตอบว่าหนึ่งแกจะจากไปเนี่ยแกเขียนคําคํานี้ลงในหลังลูกของแกลูกเอามาให้มาตรมาคำหนึ่งเขาว่า skill in means นี่คือหัวใจพุทธศาสนา ฟังออกม skill in means มี a n นะตัวนั้นเติม s เลยนะถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษ skill แปลว่าอะไร skillful mean ก็ได้ skill in mean ก็ได้ที่เราเอามาใช้ภาษาบาลีว่ากุศลหรือกุสโลบายอุบายวิธีฉลาดในอุบายวิธีคือทุกอย่างเป็นอุบายทำได้ทั้งนั้นแต่เราต้องฉลาดใช้มัน โลภะก็เป็นอุบายธรรมชนิดหน่งมันเกิดขึ้นกับเราเราใช้มันเป็นอุบายธรรมในการฆ่ากิเลสโทสะมันเกิดขึ้นก็เป็นอุบายอันหนึ่งเป็นเครื่องมืออันหนึ่งใช้มันในฐานะเป็นเครื่องมือเป็นมีนสเป็นอุบายเป็นเครื่องมือโมหะก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เราใช้โมหะดับโมหะดังนั้นสิ่งต่างๆถ้าหากเรารู้จักนี้แล้วมันเป็นใช้เป็นอุบายธรรมใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะดับทุก์ได้เท่านั้นเลย ภาษาพุท ธ, ธเราใช้คำว่ากุสโลบายกลอุบายเทคนิควิธีการผู้ศา ส, สนาคือวิธีการในการที่จะเอาชนะกิเลสฉลาดในการใช้อุบายที่จะเอาชนะกิเลสถ้าจะแปลนะสกิลแปลว่าฉลาดก็ได้แปลว่าทักษะก็ได้แปลว่าชนริชำนาญก็ได้ใช่ไหมมีแลว่าฉลาดในอุบายนี่คือหัวใจผู้ศาสนาพระเจ้าจใช้คำว่ากุศลที่เราอามาแปลว่า พูดเป็นทําเป็นคิดเป็นใช่ไหมวิลาลเนื้อ อ, นนอุบายตอนนั้นเองอุบายที่จะต่อสู้ย่าไปสู้ตรงๆใช้อุบายใช้วิธีการแล้วเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายและสบายในชีวิตมันก็สนุกไม่มีอะไรมาลังควานเราได้เลยนะเรานึกเดือเ น, นอะไรที่จะมาลังควานใจเราได้ถ้าเราเห็นว่าลูกอย่างที่เกิดขึ้นในกายเราใช้เป็นอุบาย ราคาโทสะโมหะใช่ไหมที่เรากลัวก็ใช้มันเป็นอุบายในการดับกิเลสอย่าไปตามมันแต่ใช้มันถ้าตามมันหมายความว่าเราอยู่ใต้อํานาจของมันใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้มันหมาอความว่าเราอยู่เหนือมันถ้าเราไม่อยู่เนือมันใช้มันไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่เนือเราตรงนั้นมันก็ครอบงําเราถ้าอยู่เนือมันเราใช้มันซึ่งเรื่องนี้ให้เอาไปพิจารณาให้ดีดังนั้นใช้ไฟใช้ไฟก็เป็น เพประโยชน์ในการสำเร็จความประโยชน์ของเราไฟก็เป็นเครื่องมือใช่ไหมใช้น้ําน้ําก็เป็นเครื่องมือการปฏิบัติก็คือจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่ามันง่วงมันเงามันเหนื่อยมันเพลียมันปวดใช้มันเป็นอุบายทำทั้งหมดเลยม่วงเกิดขึ้นก็ใช้มันเป็นอุบายในการเกิดปัญญาได้มันเมื่อยมันหนักเกิดขึ้นก็ใช้มันเป็นอุบายในการสร้างธรรมะขึ้นมาพอรู้อย่างนี้โอ สบายเลยที่นี้อะไรเกิดขึ้นก็ใช้มันเป็นเครื่องมือหมดเลยแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่มันเป็นไงมันก็เล่นงานเรามันก็หลังควนนะันเราทรมานเราเราก็กลัวมันนะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงสรุปไว้สั้นๆในเย็นวันนี้ขอให้ใช้อุบวยในการต่อสู้อย่าไปใช้สู้แบบเทนตรงหรนะนะือหัวชนหัวชนฝานะมาเดินใส่อย่างเดียวกึงกึกึเดินใส่อย่างเดิียวมา เราอาจจะนั่งได้ถึงสองชั่วโมงแต่ในสองชั่วโมงเต็มไปด้วยวิธีการที่จะพิชแพงสู้กับมันใช่ไหมแล้วอะไรมาก็ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ตื่นตัวตือนเวลาแล้วสักพักหนึ่งตอนแรกก็ทํำท่าจะแก่นอแกดนิสนุกใช่ไหมพอไปสักพักชักลาแล้วทีนี้เมื่อนั่งเมื่อไปกับมันเลยอันนี้มันก็รอจังหวะตรงนั้นอะจังหวะที่เราอ่อนแรงนั่นแหล ะ, ะเพราะนั้นต้องตื่นตัวพลิกหาวิธีทําท่าจะอ่อนแรงก็เปลี่ยนอุบายวิธี อันนี้ต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวพอสมควรนะเพราะฉะนั้นช่วงเงย็นนี้ก็ได้ฟังประสบการณ์ของท่านเทพแล้วมีกําลังใจขึ้นมาว่าท่านก็เคยเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นนั่นแหละแต่ว่าท่านก็ใจสู้นะในกระทั้งว่าลาครอบครัวหวสาเดือนก็เพื่อมาศึกษาเรื่องนี้ครอบครัวก็แสนดีให้ให้มาโดยไม่ว่าใครเจ้านายก็แสนดีแต่เป็นเจ้านายพวกเราเลยมาสักสามวันห้าวันก็ชักบนกระปอดกแปดแล้วนะี่ แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาอนุญาตทางราชการถ้าหากมาบวชมาศึกษาธรรมะเขาไม่ถือว่าเป็นวันลาใช่ไหมให้มาได้เลยก็ขออนุโมทนาสาธุออนความตั้งใจในพวกเราทั้งหลายที่จะสู้ที่จะพัฒนาตนเองเพราะว่าเรามีภูมิธรรมภูมิจิตมาสูงดีแล้วเนี่ยให้ประคับประคองให้มันสูงต่อไปจนกว่าเราจะพ้นอานาจของตันหา อุปทานโดยการทุกคนทุกท่านเธอ